การท่าหลตาชื่อจิ๊บค่ะเคยไปหาหลงตาครั้งหนึ่งที่ผมได้อคราวที่แล้วเหมือนกับหลงตาบอกว่ามันมีอยู่สองตัวแล้วมันมีตัวไลายอยู่ตัวหนึ่งตัวตัวโกดอะไรอย่างเงี้ยเออดีแล้วนะไอตัวถูกไม่มันไม่ไม่ถึงกับร้ายมากแต่ก็ยังมีตัวนี้ต้องแก้อันนี้ดีมาแล้วละมันก็ผ่ากายแก้ไขมาแต่ตรงนี้ตัวนี้ต้องแก้่ตัวนี้มัน มันไม่มันทําให้ขึ้นเขาคือถึงยอดไม่ได้คือมันทําให้ตกตกเขาคือตัวที่นิสัยเราบางทีเราเพราะมันมันทำให้กัดกัดไปติดกัดกัดกัดกัดเขาค่ะมันมันเหมือนแบบว่ามันจะไม่พอใจอะไรอยู่เรื่อยๆอะไรอย่างเงี้ยไหนๆๆมันจะไปกัดกัดกัดกเขาไงต้องเลิกนะ มันมันกัดแต่มันกัดอยู่ในใจเราต้องรู้ว่าโอ๊ยเราจะทําเป็นหมาหมาไปหมาบ้าไปกัดเขาทำไมเอ้ยเราต้องกัดอย่างนี้เราเป็นหมาหมาบ้าชอบไปกัดกัดัดเป็นกัดติดเขาแน่เนี่ยกัดชอบกัดเขาเราพอใจชอบกัดเขาคกัดติดอย่างเงี้ยเราเลิกเลเลิกไอ้ตัวนี้ทําให้เราตกเขาแล้วทำให้เราตกเขาใช่ไหมตัวตัวนี้แก้ด่านจะขึ้นแต่อันนี้คือหมายถึงว่าถ้าเรารู้ว่ามันจิตมันคิดออกไปอย่างเงี้ยเราควรเราก็เลยอยทำตามมาอย่าไปทต่อไปกัดชาเฟ่กัดเด่นเลยนี่ย จะคุณนอว่าแกนิดเด้าเล็ดอิดโกมึงอยู่กูไม่ได้เพราะมันเสี้ยวบางทีนี่มันปรากฏในใจเราเตะมันกระเด็นหมายถึงว่าให้มีสติรู้ทันมันหรือว่ารู้ทันแล้วมันเกิดขึ้นกับดีดมันไปเลยดีดมันกระเด็นเลยอย่ามัวไปดูเฉยเฉยไม่ดูไมเฉยมันเกิดขึ้นกับดีดมันกระเด็นเลยตามใจมันเพราะบางทีดูมันเฉยเฉยแล้วมันก็ไหลดูเฉยไม่ได้แลบวเนี้ยอย่าไปดูมันเฉยเฉยเพราะมันเกิดขึ้นเนี่ย กิเลสทุกตัวไปดูเฉยไม่ได้หรอกไปดูเฉยดูอาการของจิตรู้ตัวตานอาการของจิตแล้วไม่ติดไปกิเลสทุกตัวไปดูเฉยไม่ได้หรอกกิเลสทุกตัวต้องรู้ตัวทานเตะมันกระเด็นพันทีดีดมันกระเด็นออกไปจากใจพันทีให้เร็วที่สุดที่จะเร็วได้กิเลสทุกตัวจะไปดูเฉยไม่ได้หรอกกิเลสทุกตัวเป็นตัวหลงแล้วฮะเป็นตัวหลงแล้วต้องรู้สึกตัวขึ้นมาไม่ใช่ว่ากิเลสแล้วดูได้เฉยดูเฉยไอ้ดูเฉยมันคือมันคือขันห้าอาการน้องขันห้าเราสังผัสรู้อาการของขันห้าเขาพบใจที่ว S <S <S <an> <S กิเลสเรามาดูเฉยไม่ได้หรามันไม่มีกิเลสแล้วเหลือแต่อาการของขันธ์ห้าที่ปรากฏในใจเร า, าก็สอบแต่เร า, ารู้ว่ากันอาการที่ปรากฏในใจที่ไม่ไม่หลงก็เป็นกิเลสอะไรมันก็จะพ้นทุกไปพบใจที่ว่างเปล่ามันคนละขั้นตอนกันมันคนไม่รู้ปฏิบัติมีกิเลสก็ดูเฉยดูกิเลสเฉยดูมันได้ยไงกิเลส มันเป็นกิเลสเกิดขึ้นใจแล้วเตะมันก็เด็นมาเลยเจ้าคุณนอบอกเก็ดอิดอาวเล็ดอิโก้เนี่ยไม่รู้ภาษากินแปลว่าอะไรเ้วบอกว่าเตะมันก็เดินเลยมันเกิดขึ้นมันจภาษากินลูกโป่งแปลว่าอะไรก็ไม่รู้เก็ดอินเล็ดอิดโกแปลว่าอะไรจริงแปลว่าอะไรหมอฮะเอออยู่พูดอย่างนี้ต้องไปให้พ้นแต่ภาษาเราเตะมันนี้กระเด็นเนี่ยนี่มึงเคยมาเตะไว้กระเด็นไปเลยดีมันอะไรเนี่ยมึงไปพ้นมึงอยู่กูไม่ได้เนี่ยกิเลเกิดขึ้นทันทีเลยมัน มันพุ่งสร้างไปกระดิบกระเด็นดึ้งเราก็รู้สึกตัวไปเราก็มันเราก็คิดอะไรก็รู้หมดรู้หมดเห็นหมดเล่นหมอ๋อเผลอไปคิดพุ่งสร้างตัเองนะกระดิบมันดึง้งกระเด็หลุดไปเอาใหม่เอาใหม่เอามเรื่อยไปอย่าไปหนุนหมิ่นเพี้ยนอย่างเงี้ยเพี้ยนเอาใหม่เรืเ่อยไปถ้าหลุดลงไปมีกิเลสลงไปพุ่งซรานตัเองแล้วรู้ทันเอาใหม่ให้เป็นผู้รู้อย่าไปเป็นผู้เป็นอย่าไปเป็นผู้หลงให้เป็นผู้รู้อย่าไปเป็นผู้คิดผู้ตึกผู้ต้อมผู้ปรุงแต่งผู้หลงให้เป็นผู้รู้ว่าตัวเราเนี่ยเป็นอะไรคิดอะไรอยู่นึกอะไรอยู่เราเป แต่ตัวเราก็คิดหน่อยคนิดนะแต่ไม่มีแต่เราเป็นผู้รู้แต่อย่าไปเป็นผู้หลงไปเป็นผู้เป็นเป็นเป็นผู้วุ่นวายพอไม่มีกิเลสแล้วเออขนาดจิตที่ไม่มีกิเลสเนาะมันก็มีอาการขันท่ามันจิงิ้งจิ้ง่นี้มัในใจของเราเนี่ยคือเราไปรับรู้อะไรมาใจเราความวิภาควิจารณ์เป็นเป็นไปรู้อะไรมาทตาหูจมูกจีนกายใจใจความวิภาควิจารณ์วิภาควิจารณ์โดยไม่มีกิเลสอะไรความวิภาควิจารณ์อะไรในใจด้วยไม่เห็นด้วยมีเคราะไปอย่างงั้นแ่ละ ขณะตามองเห็นเราหูฟังเสียงเราพูดก็บิบภาพวิจารมิข่อกิใช่ใจไม่ใช่โอ้ยยี่ใช่ไม่ใช่โอ้ยยี่ไม่ใช่ช่ยยีไม่ใช่ไม่ใช่เลยไอ้ตัวนี้ไม่ได้เป็นกิเลสอะไรบอกว่าเห็นอยู่รู้อยู่ว่ามันมีวิบภาพวิจารณ์ในใจอันนี้ไม่ได้เป็นกิเลสแต่ถ้าเราสัตว์ตะวันรู้ได้อันเนี้ยเราจะไปพบใจที่ว่างป่าครับสาธุชื่อโมดค่ะเพิ่งมากลับหลงตาครั้งแรกค่ะเหมือน ปฏิบัติในรูปแบบอ่ะค่ะหลวงตามันมันเหมือนพอตอนแรกใช่ไหมคะมันมีลมหายใจมีอะไรพอมันเบาขึ้นเรื่อยๆอะค่ะหลวงตามันมันไม่พากอะค่ะมันเห็นมันเห็นแค่แบบร่างกายทํางานนะคะหลวงตาอย่างเช่นเห็นว่าหัวใจมันเต้นเห็นเลือดมันหมุนเวียนอย่างนี้ค่ะแต่ว่ามันไม่ได้ขิตอะค่ะแล้วมันก็อยู่นิ่งๆอย่างนี้อะค่ะหลวงตา อยู่นิ่งๆอย่างนี้เนี่ยไปเรื่อยๆแล้วเราจะสังเกตเห็นนว่าในความนิ่งมีผู้พูดอยู่มันมันยังไม่เห็นนะคะแต่ว่ามันมีความรู้สึกเราไปเรื่อยๆเราอยู่ที่เจออย่างนี้เนี่ยมันต้องคิดทําอะไรทั้งหมดเราดูที่ว่ามันในตัวเราเนี่ย มันมีตัวไม่พูดอยู่อย่างเดียวตัวสงบตัวว่างเปล่าอย่างเดียวหรือว่ามันมีใครที่สงสัยคิดสงสัยอยู่อยู่นิ่งๆอย่างนี้ดูที่ว่าเราบอกว่านิ่งๆในร่างกายเราไม่มีไม่มีตัวคิดไม่มีอะไรเลยเรนไม่มีตัวเคลื่อนไหวไี่มีตัวกระเพื่อมเราสังเกต ด, ดีๆเลยในความนิ่งจริงๆอะ่ะมันมีจิตที่จุกชุกๆๆๆ มันไม่ได้เหมือนไม่ได้คิดอะไรหรอกแต่มันเหมือนมันในกระถามเหมือนในจะบอกเหมือนใกจะพูดแต่มันก็ไม่รู้ว่าจะพูดอะไรอึกอัอึกอันั่นแน่ตัวนั้นแน่ปล่อยวางมันไปแล้วก็เห็นในตัวนั้นน่ยอึกอัอึกอัปล่อยวางไม่ใช่ว่าไม่เห็นเขาไม่รู้เขาแต่ปล่อยเขาอึอัอึอักอึกปงั้นเนี่ยมันพูดไม่ออกคนพูดไม่ออกปล่อยเขาเป็นเขาอยู่นั่นแนะ อันนั้นนะคือเขาเป็นสังขารในขันห้าเป็นสังขารผงงแต่ทุกอย่างมีแต่ความสงบความสงบัดความว่างเปล่าทั้งจักรวาลโลกกับธาตุแต่ก็มีตัวตัวเราที่เป็นตัวขันห้าผงแตกอึดอัดอึดอัดจะพูดอะไรจะบอกอะไรไอตัวผู้รู้ผู้เห็นผู้เข้าใจอ๋อรู้แล้วแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วอ๋ออ๋ออยเงี้ออ๋อไอตัวนี้ยอ๋เนี้ย นั่นแหละตัวขันห้าตัวพวงแตงตัวพวงแตงนั้นนไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราก็เ่อดพุงแตงนั้นนหละแต่พุงแตงยังไงก็ไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเรามันเป็นขันห้าขันห้าเป็นนิจังเป็นตุกขังเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนมันก็เปิดปิดพวงแตงอยู่เท่าที่ยังมีชีวิตอยู่พอตายได้ตัวอึ้งองหออังเงี้ยดับหมดเป็นขันห้าดับหมดโดยแต่ความสงบความสงบทั้งจักรวาลโลกธาตุ ไอ้ความสงบความจักรวาลทั้งโลกกับธาตุเนี่ยมันสามารถรู้ได้ว่าไอ้ตัวอึ๋งอึ๋งเนี่ยไม่ใช่ตัวเรามันมีอยู่แต่ไม่มีใครเข้าไปยึดมันอีกแล้วต่อไปกงปล่อยมันมีอยู่อย่างนั้นเนี่ยในความสงบความสงัดความว่างเปล่าทั้งจักรวาลโลกกธาตุแต่ความสงบความว่างเปล่าเนี่ยมันรู้เองว่าเนี่ยตัวมันเนี่ยเป็นตัวที่สงบหรือเป็นจใจที่ว่างเปล่าแต่อึ๋อึ๋งเนี่ยไม่ใช่ตัวเราก็คงปล่อยมันไป ทุกขณาปัจจุบันไอตัวเราที่คอยพูดคอยอึ้อะคอยจะไปคิดอะไรคอยจะหาคาตอบคอยจะอะไรเนี่ยเป็นตัวสังขาร อ, องขาน่าทั้งหมดมันก็ไม่มีใครไปเจ๋วยมันไม่มีใครไปรองรับมันไม่มีใครไปยุ่งวุ่นวายกับมันเลยใจก็คงเป็นความว่างเปล่าจักรวาลไอความว่านั่นแหละเป็นความรู้อยู่ในตัวว่าตัวมันน่ะเป็นความว่างไอตัวอึ้อะอึ้อะที่มันพยายามจะคิดจะนึกจะตึกจะตองอะไร ไอตัวนั้นเป็นขันห้าเป็นตัวปรุงแต่งมันก็อยู่กับเราจนกว่าจะตายตายลายตัวนี้กันไอตัวอื้ออื้อเดี๋ยจะพูดบอกอะไรลงตาอยากเข้าใจแล้วอือไอตัวนี้เหร okay. อไอตัวน really, ั้นเออเข้าใจนล้วเข้าใจนะไอตัวเนี <LGBT people> ้ย <interpre> ม <Bard>. ันตัดหมดเดี๋ยวแต่ผู้รู้ที่เป็นใจที่ไม่ไม่ปรุงแต่งกันนี่แน่แต่นั้นนหละเรียกว่าธาตรู้หรือจักรวาลเดิมก็หายคืนเลยเป็นหนึ่งเดียวกับความว่างของจักรวาลแต่ความว่างจักรวาลเนี่ยมันพูดไม่ได้มันมันมันมันไม่รู้ไอตัวพูดได้ดับหมดไอตัวพูดในใจ แต่ไอ for ้ตธาตุรู้ที่เป็นหนึ่งเดียวกับความว่างจักรวาลมันคือเป็นเนื่อเดียวกับความว่างจักรวาลแต่มีความรู้ความว่างจักรวาลไม่มีความรู้แต่ไอธาตุรู้เนี่ยมันมันเป็นมันเป็นความว่างจักรวาลที่มีความรู้ดันั้นพระเจ้าพระาทั้งหลายตายแล้วปรินิพานแล้วที่ไม่ได้หายสับสูญไปเพราะว่าถ้าหายสับสูญก็คือมัเป็นหนึ่งเดียวกับธาตุว่างงจักรวาลไม่มีความรู้แต่เพราะไอ้ความรู้มันมีอยู่แต่มันเป็นความว่างอันหนึ่งเดียวของจักรวาลไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่าง ไม่ใช่ว่ามีเมืองพระเจ้ามีเมืองอหลานแล้วไม่มีอ่ะมันมีแต่ความว่างที่มีความรู้อยู่แต่เป็นความว่างในทุกที่ที่ใดมีความรู้ก็เลยมีมีความรู้ของพระเจ้าว่าอารหันทั้งหมดอยู่ในทุกที่เ อ, อตรงเนี้เราต้องไปไปสังเกตให้ดีๆนะบองทีพอเราสติขาดเนี่ยพอสติขาดสติปัญญาขาดเนี่ยเราก็จะปิด ทิ้ความรู้เขาเห็นเขาเข้าใจจะไปยึดเอาไอ้ตัวที่พูดได้บทได้ดีตัวที่มันเข้าใจาวันนี้เข้าใจแล้วตัวนี้หรอเงีไอ้ตัวพูดได้บทได้ที่มันตึกตองได้ตัวนี้เป็นตัวเราซะอีกเนี่ยคือสังขารกรุงแสงแล้วตัวนี้มันดับไม่ได้นะคือเราพยายามจะเคยดับมันทำยังไงก็มีทางดับมันได้เรานัต่ตรงไหน ม, มันจะกคิดอะไรมันจะตึกตองมันมันทําท่าทําท่าทําท่าแล้วเราก็ไม่รู้ว่าเรียกว่าอะไรตัวเนี้ยมันมันจะทําท่าจะไปดูจิตทําท่าจะไปห า, าเข้าใจทําท่าอยู่แล้วเนี่ยมันจะคิดก็ใหม่คิด มันก็ไม่ได้ว่าเป็นคิดมันทําท่าจะไปดูจิตมันทําท่าจะไปรู้อะไรมันทําท่าจะวิเคราะห์แต่เราก็เห็นมาแล้วมันเลยวิเคราะห์ไม่ได้เพราะมันทําท่าเราก็เห็นมาแล้วเลยไม่เรียกว่าไม่รู้ว่าจะเรียกว่าอะไรมันเลยกลายเป็นทำท่าทําท่าเพรมันจะไปดูจิตเราก็เห็นมาแล้วมันเลยไม่ไปดูพอมันทําท่าจะคิดเราก็เห็นมาแล้วมันเลยจะเรียกว่าเป็นคนคิดก็ไม่ใช่จะเรียกว่าดูก็ไม่ใช่อ เลยเรียกว่ามันปรุงแต่งดีกว่าวะคือมันยังมีการปรุงแต่งขึ้นมายังมีการปรุงแต่งขึ้นมาแล้วก็พอเราเห็นมันเนี่ยมันก็เลยดับไปแล้วก็เปลี่ยนใหม่อีกก็เปลี่ยนน้ำท่าอย่างนี้แล้วก็เป็นอยู่อย่างเนี้ยมันเป็นอยู่ตลอดอ่ะเออมันเป็นอยู่ตลอดที่สุดอ่ะอยากเป็นก็เป็นไปว่าแต่เราไม่ปรุงแต่งอยากปรุงแต่งก็ปรุงแต่งไปเราไม่ปรุงแต่งเราก็เป็นใจที่ไม่ปรุงแต่งตลอดการก็จนกว่าเราจะตายเมื่อไหร่ขาน่าดับเมื่อไหร่ตัวชิคชิคริงจันค่อยดับก็เลยเป็นเรื่องของมันไม่เกี่ยวกัับเราแค่นน้ะ มันก็ว่างเปล่าไปเลยแต่ตัวจิกจักเนียังมีอยู่แต่ถ้าเราเนี่ยถ้าเรายังยังอยู่ในขั้นยังยังไม่ยังเรียกว่ายังโลกธาตุยังไม่อัศาจรรย์เนี่ยมันก็เรียกว่าเราก็ต้องฝุดไปอย่างเงี้ยน่ะแล้วก็เพิ่เมื่อไหร่เราผุดยึดไอ้อตัวจิกจก๊จิกจักเป็นตัวเราอีกอย่างความจริงเน่ะหลักธรรมสุดท้ายคือสิ้นผู้ยึดมั่นถือมั่นสิ้นผู้จะเอาไว้นั้นเนี่ยคําถามทั้งหมดจะไม่มีเลย เราสังเกตไหมเน่ะที่เราถามคนทุกคนเนี่ยเราถามมาเป้าหมายเราสุดท้ายที่ซ่อมอยู่ในใจคืออาจารย์ขอถามหน่อยทำไมถามถามไปคือเพื่ออะไรอผมจะได้ผมจะผมจะได้เป็นผมจะได้รู้ผมจะได้เห็นผมจะได้เป็นผมจะได้บรรลุพระนิพพานผมจะได้เป็นพระอรหันต์สุดท้ายอ่ะคือมันมีผู้จะเอาหมดนะคือตัวเราเนี่ยจะไปเอาอะไรถามอะไรก็ตามไม่ว่าเราคิดเราคนเราตึกเราตองเราหาเหตุผลถามให้ดีวิสังเกตได้ดีไหม เราคิดคนเพื่ออะไรเพื่อผมจะได้รู้แจ้งเพ้่รู้แจ้งเป็นไงเพื่อผมจะได้ไปรู้นิพพานอืมันไม่สิ้นผู้จะเอาก็ไม่มีฐามไปยังไงล่ะพอตัตายมาจบคือสิ้นผู้จะเอาสิ้นผู้จะเอาสิ้นผู้จะเป็นอรหันนั้นก็ายังมีผู้จะเอาจะเป็นอ่ะก็ไปกิเลสตัณหานมันมีฐานเลยนะฐามมัน ท, ท, ทั้งหมดทั้งมวเนี่ยคือจะไปเอาจะไปเอาไงเอาใจาที่โปร่งโล่งเบาสบายเอาจิตดี ทำนานายังไงผมถึงจะหายฟุ้งซ่านเอาจิตที่มันไม่ฟุ้งซ่านทําจะหายทําไงจะหายงดหนิดเอาจิตที่ไม่หงดหนิดจะผมจะเอาจิตที่ไม่งดหนิดทําไงจะหายโมโหเอาจิตที่หายโมโหเฮ้ยเราดูให้ดีสังเกตให้ดีที่คาถามทุกคําถามที่เราแก้มาเนี่ยมันคือพูดจะจะเอาอย่างเดียวตอนที่พูดจะเอาอย่างเดียวทิ้นทุกเลยเพราะว่าอะไรมันจะเป็นยังไงกับจ่างมันไม่มีเราไม่มีใครไปเอาเพราะไม่มีใครเอาก็ไม่มีใครทุกไม่มีกิเลสตัณหารูปอรรรหนเลย มันจบตัวเดียวตัวนี้เป็นคำตอบเลยไอ้ตัวทิ้นภูจะเอาเนี่ยมันเป็นคำตอบเลยเพราะฉะนั้นตัวเนี้เป็นตัวเมนที่แก้ได้ทุกอันเลยเราที่แก้ปัญหาจิตโลกศิลป์ทุกคน่ะตัวนี้เป็นตัวยืนพื้นตัวเนี้ยถามยังไงเราเห็นหมดเลยมิจจะเอาเพราะพกระดิกลิ่นไก่ขึ้นมาเราเห็นแล้วนี่จะเอานี่ก็จะเอาไอ้นู่นนี่ก็จะเอาเนี่ยพราะก็จะกระดิกขึ้นมาเราเห็นแล้วพราะลงมือทําแค่จะดูจิตที่เดียวเราแล้วดูจิตนี้เพื่อจะเอา ก็คิดตึกตึกตองงแตง่งเตึกตองพงแต่งก็เพื่อจะไปเอาอะไรเพราะจะถามมัจะถามมั้ยจะถามเพื่ออะไรบอกว่าหนูจะได้หนูจะเป็นหนูจะอะไรเงรี้ยเพราะหนูจะหนูจะแม้แต่ว่าจะได้รู้เห็นจะได้ปล่อยวางแค่บอกว่าจะได้ไปวางกันนั่นแหละอ๋อก็ได้จะได้ตัวเราผู้ปล่อยวางแล้วพิเกเรตนาโมดอ่านใจใงไม่ขาดเท่นั้นเน่ะว่า เราเนี่ยมันไม่มันจะไปเอาตอนที่ผมจะเอาปุ๊บตู้อย่างก็มีแต่กิริยาการของจิตที่มันเกิดดับอยู่ในใจที่ว่างเปล่ามันเป็นของมันเองเลยธรรมชาติเพราะมันธรรมชาติมันอยู่แล้วแค่นี้เองคือมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาและมีอีกสิ่งหนึ่งคือสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับธรรมชาติมีสองสิ่งสิ่งที่เกิดดับเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับพอที่ผมจะเอาปุ๊บเลยเหลือใจธรรมชาติสองสิ่งจะกว่าจะตาย คือมิจฉาจริงใดจริงหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นจะมันดับไปหมดเป็นธรรมดายังกินจิสมุทียธรรมังสัพพันตังนิโรธาธรรมันติสิ่งใดจริงหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งเหล่านั้นจะมันดับไปหมดสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นยจะไม่ดับพระโสดาบันเห็นสิ่งใดจริงหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งนั้นจะมันดับไปเป็นธรรมดาพระราหานเห็นว่าสิ่งใดไม่เกิดสิ่งนั้นยจะไม่ดับธรรมชาติสองสิ่งเนี้ย มันมีอยู่คู่กันมันอยู่ที่เดียวกันพิงเกิดดับอยู่ตรงที่ไม่เกิดไม่ดับนะนะั่นแหละเราเห็นมันหรือเปล่าแค่นั่นแหละเราจะเห็นมันได้เมื่อเราสิ้นกิเลสตัณหาที่ผู้จะเอาตร่งนี้ก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าต่อตาเราประจักษ์แก่ใจเรานี่แหละขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยไม่ได้ว่าเป็นพรุ่งนี้เป็นวันไหนเป็นอะไรคนระับมันเป็นปัจจุบันเลยเป็นปัจจุบันนี้เนะี่ยเป็นเดี๋ยวนี้ อันอาจจะให้ขายกันแน่ว่าเรายังมีอะไรจะไปเอาอีกเปล่าแม้แต่จะไปเอานิพานไปเอาความสุขที่ทุกข์ไม่มีเราจะเอาหรือเปล่าเราจะไปเอาจิตที่นิ่งจิตที่สงบจิตที่เฉยจิตที่ว่างเปล่าอันนั้นแน่ต้องดับไปตัวผู้จะเอาถ้าไม่ใช่ว่าไปเอาอะไรฉันจะได้ไม่ใช่ดับผู้จะไปเอาอรหันดับจูตจะไปเอานิพานเราจะไปเอานิพานไม่ได้แล้วไม่เป็นนิพานแล้วก็แหละมันยังมีผู้จะเอาไอ้ผู้จะเอาดับมันจะเป็นเป็นนิพานคืออะไรพอที่ผู้จะเอาก็าสิ้นกิเลสสิ้นทุก บรรลุนิพานมันพุทธเจ้าตรัสรู้ดับอันนี้สุดท้ายดับความปัจถนาเลยดับผู้จะไปเอาความสุขที่ทุกไม่มีคือพันธิพานก็บรรลุเป็นสมมาตพุทธเจ้าตรัสรู้เป็นสมมาตพุทธเจ้าดับตัวสุดท้ายเลยดับผู้จีจะไปเอานิพานดับผู้ปัจจนาความสุขที่ทุกไม่มีนี่คือตัวนี้ดับสุดท้ายอย่างอื่นดับไปหมดแล้วพระเจ้า ดับมาหมดเห็นมาหมดแต่ไม่เห็นอยู่ตัวเดียวตัวตัวทา้ายยังไม่เห็นคืออะไรเพราะว่ามันโหยหาโหยหาทําไมมันเราอย่งทุกยังไม่เรายังทุกอยู่เนี่ยทําไมปฏิบัติมันยังทุกอยู่เนี่ยทุกเย็นทุกอยู่เนี่ยไปเจออาาดาบทไปจนทั่วหมดแล้วก็ไปถึงอาราดาบทแล้วปฏิบัติได้ชา้นสี่ได้ชา้นเจ็ดลูกประชานสี่ต่อไปถึงชา้นเจ็ด แล้วทำไมมันไม่ไม่ทุกเฉพาะเข้าฌานเนี่ยทำไมออกมามันยังทุกข์อยู่ล่ะอาราธนาบทก็เลยบอกว่าเอ้ามันมันก็ต้องอจะไม่ทุกข์ก็ต้องเข้าฌานแค่นั้นแหละออกจากฌานมาก็ต้องทุกข์โอ้ยมันท้อมเป็นอย่างนี้ลรวมีใครที่เก่งกว่านี้ไหมที่สามารถจะสอนให้มันไม่มันไม่ทุกข์เลยอ่ะไม่ทุกข์อย่างสาวอนมันจะมีไหมบอกมีใครที่เก่งกว่าท่านไหมบอกมีอตกระาบทไปหาอุตกระตาบท ไปเรียนกูทกขตาบทจนได้สมาบัติจนได้ฌานที่แปดเอ้ามันก็มันเว่วางเลยฌานที่แปดเหมือนกับความว่างเปล่าเป็นจักรวาลเลยเอาแต่พอออกจากฌานแล้วมันมัยังทุกข์อีกเลเพราะมันมยังทุกข์อ่ะมันยังทุกข์อยู่เนี่ยเราจะไม่ทุกข์อย่างภาวันมีไหมอ่ะเนี่ยพวงหาแหละหาความสุขที่มันไม่ทุกข์อ่ะโอยหาโอยหาสุดททุกอย่างทิ้งหมดแล้วทิ้งครอบครัวทิ้งทิ้งหลักจักวาลมาทิ้ง ตำแหน่งกษัตริย์มาเนี่ยอีเจ็ดวันจะได้เป็นกษัตริย์แล้วก็ทิ้งมาหมดแล้วทิ้งทุกอย่างมาหมดแล้วเลยอันนี้ไม่ได้ทิ้งคือโอไม่รู้ว่านี้่คือถือไวยึดไว้คือทํายังไงแล้วมันถึงจะมันถึงจะสิ้นทุกโดยถาวรเนี่ยมันถึงจะมีความสุขที่ที่ถาวรสิ้นทุกโดยถาวรมันไม่ถึงตรงเนี้ยไม่ได้ทิงตรงนี้ยจังอื่นทิ้งหมดแต่ไม่มองตรงนี้ไม่เห็นทํำยังไงมันถึงจะเนี่ยก็ไปถามหาอุดอระเบศแล้ว ทำยังไงมันต้องจะสิ้นทุกอย่างถาวรทําไมมันยังมีทุกอีกเล่ามันทำไมยังมีทุกอีกเล่าคือแสวงหาความสุขที่ทุกไม่มีมันทำไมยังทุกอ่ะพอะพุทธเจ้อุตตรกดาบทก็เอาอีกแหละทำไมมันยังทุกอีกเล่าทำไมนยังทุกอีกเล่าความสุขที่มันไม่มีความทุกขเลยคือเป็นตลอดกาลเนี่ยคือสิ้นทุกเลยโดยถาวรมันจะมีไหมเนี่ยมันจะมีไหมเนี่ยบางคนเขาไม่มีอ่ะไม่มีเพราะเราก็ไม่เคยสัมผัสมันเลย องค์ก็เป็นแสวงหาอย่างอื่นทิ้งหมดนล้แต่ไม่ทิ้งอยู่ตัวเดียวก็คืออะไรไอ้ตัวที่ตัวแสวงแสวงหาท่านนะคือความจิท้ทุกข์ผท้ายพระองค์ก็เลยหมดหนทางไปหมดหนทางมาคือเปียนจนสลบสลายอดอาหารก็อดแล้วอดน้ำก็อดแล้วกัดลมหาใจก็กัดแล้วจนสลบสลายหมดหนทางแนละ้วไม่มีอะไรที่ จะไปจะมาอีกแล้วสุดท้ายพระองค์หมดปัญญาหมดปัญญาองค์เลยเหมือนกับใจมันเหมือนกับมันยอมแพ้มันยอมวางไม่หายต่อไปแล้วความสุขที่ทุกไม่มีขณาดจิตที่วางเนี่ยบรรลุปัญพานเลยบรรลุเป็นตัศนุปเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองจริงใชคําว่าเมื่อความปรารถนาความสุขหมดไปความทุกข์ก็หมดไปพร้อม ถ้าเรายังมีความอยากอยู่แม้แต่ความอยากหรือปรารถนาความสุขหรือพาณิพันย่อมไม่พน้นทุกได้พระพุทธเจ้าก็เคยทำแบบนี้มาแล้วต้องวางแม้แต่ความปรารถนาความสุขปรารถนาวางไม้ปรารถนาความพน้นทุกจึงบรรลุพาณิพาน์ถ้าเรายังดิ้นรนจะไปเอาอะไรไมีแต่ความทุกข์ความทุกข์ความทุกข์ทั้งนั้นเนี่ย แต่จะดิ้นรนจะไปเอาความสุขดิ้นรนที่จะไม่ให้มีทุกขอ์อีกต่อไปดิ้นรนที่จะหนีอาากกนนนอกจากทุกข์เหมือนเจะาพระเจ้าที่ดิ้นรนที่จะหนีออกจากทุกข์จนสุดชีวิตสุดท้ายของบนหนทางที่จะหนีมันได้จึงยอมเหมือนกับยอมแพ้ยอมแพ้ไม่ใช่ยอมยอมแพ้ยอมแพ้แก่ความที่จะหาความสุขอย่างเดียวที่ทุกข์ไม่มี พอวางลงแค่นั้นนหะบรรลุพระนิพพานเยต้องอ่านใจตัวเงให้ขาดว่าจะเอาอะไรอยากจะพยายามที่ตนเอาอะไรอีกอยากจะหาอะไร